ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หงประโติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสังกัปปะคือความดันริชชอบซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตของบุคคลคือในรีมักนั้นอย่าทรงแสดงไว้สองสองมักนะฮะคือสมาธิกับสมาสังกัปปะ ก็เป็นส่วนของปัญญาสีขาหรือคนเราก็เห็นยังไงก็คิดอย่างนั้นคิดยังไงก็เห็นอย่างนั้นแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำจะพูดอะไรเนี่ยมันเราก็คิดก่อนคิดก่อนทำคิดก่อนพูดหรือว่าคิดตัวก่อนที่จะคิดโดยซ้าไปนะครับหากว่ามีการฝึกปรืออบรมจิตใจมาดีพอ มันประหาเรื่องความคิดจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ปุจ้าทรงประรบชีวิตของพระสาดีบุตรกับพระโมคคัลลานะซึ่งก็เป็นสกุลเศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากนะครับมีทรัพย์ถึงหกร้อยห้าสิบโกดก็เป็นสกุลเศรษฐีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน แล้วก็พ่อก็มีฐานะเป็นนายบ้านก็ยังนึกว่าตำแหน่งเทียบสมัยนี้ก็คงระดับนหนอำเภอแต่ว่ามีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยก็ศึกษาจบใจเพศไปทางการศกษาตั้งแต่ยังเป็นุ่มในการต่อมาค่าที่เป็นลูกหัวปีซึ่งเป็นที่ต้องการปรารถนาของคนในยุคนั้น คนสองท่านจึงเที่ยวท้าความสะดวกสบายสนุกสนานเพลิดเพลินเยี่ยงคนหนุ่มทั้งหลายซึ่งจากเรื่องราวที่พระตถาจารย์เล่าไว้นั้นออกจะมากไปหน่อยนะอยู่ว่าไปไหนคนหนึ่งก็ไปไหมไปไปไหนด้วยรถม้าห้าร้อยคนหนึ่งก็ไปไหนมาไหนด้วยเสลียงหรือคานหามถึงห้าร้อยหรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คนก็คงหลายพันนะั่นนะ เรานึกดูว่าสมมติว่าขับรถเนี่ยทําไมจะเอาคนไปทั้งเยอะอย่างนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องความหรูหราคู่ฟ้ากุ้งเฟือยของคนหนุ่มซึ่งมาบวกลบคุณหารแล้วก็ไม่ค่อยได้สาระอะไรเท่าไหร่ก็เป็นการสะท้อนภาพไปดูเท่านั้นเอง ต, ตามปกติแล้วก็ไปเที่ยวดูการแสดงมรสกบนเชิงเขากรุงราชครึก บนเขาที่กรุงราชคฤห์แต่ตามปกติแล้วก็จะกำนัดเพลเพลินยึดชุมยินดีไปตามบทบาทที่แสดงมีการเศร้ามีการเสียใจมีการวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่นะฮะว่ามันจะอินกบบบทเ่านั้นได้ขนาดไหนแต่มาวันหนึ่งมันเกิดความคิดขึ้น ว่าไม่ได้สาระประโยชน์อะไรในที่สุดทั้งคนดูทั้งคนแสดงเนี่ยก็จบลงที่ความตายด้วยกันสาระแก่นสารจากการดูการแสดงมันก็ไม่มีจริงๆแต่ตามปกติแล้วเวลาเขาแสดงอะไรได้ดีๆเนี่ยทั้งจะให้รางวัลแล้วก็ปลกมือให้เกียรติแต่วันนั้นไม่มีย้มยันแจ่มจใสก็ตัางคนดังคุณคิดถึงประเด็นของชีวิต แล้วเมื่อเลิกการแสดงก็ออกมาสอบถามทราบความว่าคิดตรงกันจะคิดท่านสาระแกนสารจากการบวชได้เป็นจากการครองเรือนแม้แต่ทรัพย์สมบัติจะมากมายแต่กองอย่างไรก็ตามเอาก็จริงมันก็ไม่มีสาระแกนสารอะไรมันน่าจะออกสแสวงหาสิ่งที่เรียกโมกะธรรมคือธรรมะที่จะช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากสังสารทุก ตอนนั้นพระพเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกวันดังก็เข้าไปศึกษาในสำนักของอาจารย์สันชัยเวรัสบุตรอาจารย์สันชัยนี่พระเจ้าชาติศัตรูเคยมาคราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าบรรดาคณอาจารย์ทั้งหลายที่ไปคุยมาเ น, นี่ยคนนี้โง่ที่สุดเลยพูดไม่รู้เรื่องนะครับเลื่อนไหลไปเรื่อยๆก็ เ, เรียกอมาราวิเคพิกาคือเลื่อนไหลแบบปลาไหลไปเรื่อยๆ วันเมื่อทั้งสองท่านออกไปบวชเนี่ยก็ให้บริวารของแต่และฝ่ายเดียกลับไปบ้านเอาอยานพาหนะอวออารถไปคืนฝ่ายละสองรอยห้าสิบคนตัวเองก็ไปบวชกันฝ่ายละสองร้อยห้าสิบคนก็รวมแล้5ห้าร้อยนะฮะแต่ว่าหลังจากได้ศึกษาสำนักของท่านสันชยัยระยะสั้นๆมันก็แตกฉานถ้าลูกปลกวงแล้วก็ไม่เห็นสาระแก่นสารอะไร ยังไงก็ออกบวชมาแล้วนะะมันต้องลุยไปหน้าลูกเดียวพอตกลงกันนัดหมายกันว่าเราก็ต้องศึกษาค้นควา้าแสวงหาโมกขธรรมกันต่อไปจากวันนี้ไปใครค้นพบโมกขธรรมก่อนก็ให้บอกกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะบวชอยู่หลายนะฮะเพราะว่าในการต่อมานท่านมาพบพราศริช ซึ่งเป็นหนึ่งในท่านปัญจวคีที่พระเจ้าทรงส่งไปเผยแผ่ศาสนาในยุคต้นนะก็ตอนนั้นก็หกสิบรูปออกไปแล้วพระเจ้าก็เสด็จมาจนถึงกรุงราชคฤห์ตอนนั้นก็คงโปรดพวกปุราณจดินแล้วก็มีสาวกติดตามอยู่ถึงพันรูปพระชีเองก็ไปเผยแผ่ศาสนาในต่างแดนแล้วก็ขมาเฝ้าพระพุทธเจ้า อุปฏิสสะปริภาชกหรือภาษาริบุตรโดยพเพาะเห็นข้าวก็เกิดประทับใจในปุกลิกภาพการเคลื่อนไหวการก้าวไปการถอยกลับการนุ่งคมจีวอร์ในดูถึงมีความสงบอยู่ภายในเลยก็คอยติดตามไปปราเจชท่านกบินธบาทก็ได้สมควรแล้วท่านก็ไปแวะริมแม่น้ำที่สามารถจะ มีน้ำดื่มได้นะแล้วก็ฉันพระตาหารสารุบุตรโกรกุลีกุจอไปรับใช้คล้ายๆกับสิทปัดแล้วเสร็จแล้วก็สอบถามพระจจชีเห็นว่าท่านเป็นปริภาชกอยู่แล้วก็ศาสนาพุทธเองก็เกิดขึ้นมาใหม่ๆจะพูดจาอะไรให้ละเอียดพิสดารไปมันก็ไม่ดี ท่านก็บอกว่าท่านเองนั่นเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็มาสู่ธรรมินัยไม่นานเท่าไรหรอกก็ไม่สามารถจะแสดงธรรมะโดยวิจิตพิสดารได้แนี่ก็กล่าวทมที่เราถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็าเรียกคาถาเยธรรมา ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตาฐาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมาณะมีปกติสัตว์อย่างนี้ก่อนในที่สุดสารีบุตรก็อุปติสสะนะฮะตอนนั้นเคาเรียกอุปติสสะก็ปะเป็นเรกสารีบุตรพิจารณาตามไปก็บรรลุมรรผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็สอบถามถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็ส่งท่นราชชีกลับไปก่อน แล้วท่านเองก็ไปบอกแกกุลิตะหรือองค์ุริมาหรือโมกาลานะเนี่ยก็กล่าวธรรมะให้ฟังพราโมกาลานะก็บรรลุมรคผลเป็นพระโสดาบันด้วยขอก็ช่วยเพื่อจะไปฝ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากินยังไงก็เราพบอรมาดตธรรมแล้วมันก็ควรจะไปชวนอาจารย์แล้วก็ชวนบริวารของเราด้วย พอตกลงก็ไปพบท่านสันชัยแต่ยังไงท่านสันชัยไม่ยอมนะคือท่านมีความรู้สึกว่าการเป็นอาจารย์คนอื่นเป็นขณะอาจารย์เจ้าลทัทธิสอนคนอื่นมาเยอะวันดีขึ้นดีกลายเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นมาเสียเชิงมากในที่สุดก็ไม่ยอมไปสาสตาบุตรท่านก็ขูเอา <c oughs> มาอาจารย์เวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะ คนทั้งหลายก็จะไปภาพพระพุทธเจ้ากันแต่อาจารย์จะอยู่ได้ยังไงท่านก็เก่งนะแล้วก็ถือว่าท่านสัญชัยในผุ้คมอยู่ประโยคเดียวท่นเองแต่ก็ถามว่าในโลกนี้คนโง่ามากหรือคนฉลาดมากว่าสารีบุตรก็บอกคนโง่ามากคนฉลาดน้อยท่านสัญชัยก็บอกเอา้าแต่ย่างงั้นไม่ต้องกลัวคนฉลาดฉลาดก็จะไปหาพระสมะนัโคดองผู้ฉลาดคนโง่โง่ก็จะมาฉันซึ่งเป็นคนโง่แต่คนโง่ามากกว่านี่ท่านก็อยู่ของท่านได้ ถือว่าเป็นอมตะ ว, วาจานะฮะคือเป็นคำพูดที่ไม่ตายมันลงตัวอย่างนั้นทุกทีแล้วในที่สุดสายดิบกรมโมกะลานะก็จำใจต้องไปลูกสิทธิ์เนี่ยคือเป็นบริวารของสองท่านเนี่ยฝ่ายละสองร้อยห้าสิบเมื่อเจ้านายออกมาก็ออกมาด้วย แต่ออกมาทีเดียวห้าร้อยเนี่ยอาสมมันว่างเลยถนะ้าคนออกมาจากห้าร้อยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะี่สัญชัยชอ็อกกระอักเป็นโลหิตเสียใจมากโทมนัดมากลูกศิษย์อีกชุดหนึ่งก็เกิดสงสารก็ย้อนกลับเข้าไปอีกสองร้ยห้าสิบสาธุบุตรผู้กานะก็มาโดยบริวารเกียง250สองร้อยห้าสิบปุจประทับอยู่ท่ามกลางพร า, ารหันหนึ่งพันรูปคือพวกอดีตปุราณสิท์ ก็รับสั่งให้พระานเหล่านั้นทราบว่าคู่ของอักสาวก ค, คือยอดของสาวกของเราในมาแล้วนั่นคือสาวิตริบุตรกับพระโมคคัลลานะท่านเหล่านี้ก็เป็นพระญาบุคคลแล้วนะเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็กราบทูลเล่าถึงความเป็นมาทั้งปวงพระเจ้า ก, ก็ทรงประลรบความคิดของคนสองกลุ่มคือกลุ่มของาสาวิตริบุตรกับบริวารกละกลุ่มระสันชยัยกับบริวารเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดต่างเนี่ยมันอยู่ที่ความคิด เรื่องเดียวกันแต่ปัญหาว่าเธอคิดยังไงล่ะกะ็ทรงแสดงว่าคนที่มีความคิดผิดเป็นทางดำเนินของจิตจิตเป็นดำเนินไปผิดนี่คิดผิดมันจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะพบกับสิ่งที่เป็นสาระหรอกเพราะว่าเขาคิดผิด นั่นก็เป็นการจะท้อนภาพลักษของท่านสันชัยกับบริวาร250แต่ไปติดอยู่นิดเดียวดันเองคือว่ากลัวตัวเองจะเล็กลงบางครั้งเนี่ยจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยไม่ไปเกี่ยวอะไรอยู่นิดเดียวเแล้วก็ไปไม่รอดในความเป็นใหญ่เหนือคนอื่นเนี่ยมันที่จริงมีคนอื่นใหญ่กว่าเราทําไปทํามาเราก็เล็กกว่าลงนะ โอโลงนี่มันใหญ่มากคืออย่างที่เคยเล่ามาคราวหนึ่งว่าได้ไปรับผิดชอบเผาศพ อ, อาจารย์สองลูกพระเทราผู้ใหญ่ทั้งคู่นะชั้นทำองค์หนึ่งชันนิรันดยบาทองค์เป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือมาตั้งแต่บทใหม่ๆแล้วก็อยู่กันจนถึงดับฉลองอธิดับาธาตุกันเลย คือเราเห็นท่าของท่านนะอธิของท่านเนี่ยมันเหลือจิตเดียวจริงๆนะคือถ้าพูดถึงเต็มกรอบเนี่ยมันก็พอเต็มแล้นนะแต่เรากรอบทีเดียวก็ไม่หมดหรอกรมือเราแต่ว่าถ้าใคร่วยกรอบใส่ให้แล้วก็เต็มกรอบเราเนี่ยมออยือยังยังไม่หมดกระดูกเรียกว่าไม่เต็มกรอบก็แล้วกันมันก็ได้อนุสติได้ความคิดอะไรอยู่เยอะ เวลามีอะไรเราก็นึกถึงตรงนี้ทุกทีว่าตัวเรอมก็เท่านี้เองแต่ท่านสัญชัยท่านไปยึดติดในความเป็นคณาจารย์เจ้ารชิคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยแล้วยกออกไปเป็นลูกศิษย์เขาเนี่ยมันเหมือนก็จับจระเข้ไปใส่ตุ่มเนแม่ มันขยับขยื่นไม่ได้นะฮะตัวเขี้ตัวมันยาวแล้วก็ใส่ตุม่มในวงมันกลมมันก็ขยับขยือนไม่ได้ในที่สุดท่านก็ทําลายตัวท่านเองโดยความคิดของท่านเนี่ยทําลายตัวท่านเองตีตางว่าท่านจะมาฟ้พระพฤติเจ้าเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะคือถ้าท่านอ่อนโยนยจิตใจท่านอ่อนโยนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้สักพะโสดาบันหนึ่งก็บุญแล้วก็ปิดประตูจะตระบายได้นะปิดประตูนรกได้ ว่าเรื่องความคิดจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มาเน้นย้ำเป็นพิเศษถึงกระแสวความคิดสามสายแต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่การเจริญกุศลนะครเพราะว่าสมาสังกัปปะหมายความมาคิดในการที่จะออกจากกามได้แก่ทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑธรรมรมแล้วก็อาการของกิเลสทั้งหลาย แต่กิเลสเนี่ยมันต้องมองเห็นโทษก็ชัดเจนถ้าเรามองไม่เห็นโทษชัดเจนแล้วก็ยากนะที่จะถ่ายถอนกิเลสเออกไปได้ก็กิเลสประเภทนี้มันจะมีการยึดยึดยึดอารมณะนะ์เหล่านั้นในรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องรูปของเราอะไรแต่ไหเนี่ยเราลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยมันยึดเป็นสิบสิบปีนะฮะสิบสิบปี เช่นว่าผัวเมียนี่ก็ยึดเป็นของเราของเรากันก็จนบางทีก็ตายจากกันอย่างหึงหวงไันอูเลยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งตายแล้วก็ยังโหยหาอะไรพูดถึงยังร้องไห้น้ําตาไหลอะไรเนี่ยแสดงว่ามันมันมันมีอาการยึดมากเพราะพวกนี้มันมีลักษณะสินเดหาคือมันเป็นอย่างเหนียวมันหนืดลองสังเกตดูว่ายางเหนียวที่เราดึงเนี่ยมันจะหนืดมากหรือว่ามันจะขาดผลสุดท้ายมันไม่ขาด ก็เด้งกลับไปราะจิตใจของบุคคลเราที่มีกิเลสกรรมและจะไปยึดติดในวัตถุกรรมลักษณะอย่างนั้เพรมันติดมันก็คลองคล้ายๆก็ถูกขังเป็นเชือกหวุ้นๆมัดเบาๆแต่ว่าเราก็ไปติดเดยอะ อย่างที่โล ก, ก น, นิทตันสอนไว้ว่ามีบุตรบ่วงเดินเกี้ยวพันคอสับปาทาครอหน่วงใ้พันยาเยื่อเมืองปอบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงไรผลได้จึงพ้นสงสารเนี่ยเราเห็นว่าที่จริงมันไม่ได้มัดตรงแต่มัดใจมัดใจมันมีใจรู้สึกสินเนหารู้สึกรักใคร่ปูกพันเพราะงั้นจะต้องมองเห็นโทษของการข้องติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วยาม เด็ดโทษของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่น่าออกมารุนแรงวันก่อนเนี่ยดูข่าวเด็กอะไรแถวกาวลสินเด็กอยย่ตั้งยี่ิปุกแล้วก็ไม่ใช่เด็กกันนะพอสะยตางแม่เพื่อไปซื้อยาเส็จติดแม่ไม่มีให้ก็ซ้อมจะเกือบตายเลยตีกับไม้ แล้วก็น้าสาวมาห้ามก็ตีน้าสาวด้วยนั่นคือเราจะเห็นว่ามันพอข้องติดแล้วใครไปขัดขวางเนี่ยกจะดึงเราออกมาจากสิ่งที่ค้องติดหรือจะเกิดโทษสัก็ไม่ว่าอะไรก็ตาม น, นะฮะแม้แต่สุนัขไปติดตัวเมียเราไปจูมันมาเนี่ยมันโกรธเนี่ยนฮนะแมวไปติดตัวเมียเราจูบมาะว่มามันโกรธอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นใจมนุษย์มันเวลาปเป็นเหนียว ในเหนียวแล้วมันจะไม่ยอมสลัดยอมสลัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจเพราะฉะนั้นมันต้องมองหินโทษของการเหนียวนึกจึกๆึกในลักษณะนี้อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นอุปมาว่าความรู้สึกสายเนี่ยมันจะเผาลนจิตใจเราให้เล่าร้อนแล้วเกิดอาการกระสาวกระสายประสบความทุกข์ออกมาในลักษณะต่างๆ ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ําที่มันเดือดพล่านเน่ยมันไม่เห็นเงาหน้าของตอนเองชัดเจนและตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนว่ามันเหมือนกับคนที่ประสบทุกเวทนาด้วยโรคภัยไข้เจ็บเปลีป่ยนกิเลสที่เสียแทงใจของบุคคลเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่สามารถไม่มีใครสามารถที่จะแบ่งเบาบรรเทาความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นออกไปจากใจได้นอกจากว่าเรามองเห็นโทษของมันเอง แล้วย า, ยามลดละบันเท่า้วยตัวของเราเองทีนี้ทำทำยังไงล่ะจึงจะเกิดความรู้สึกเหล่านั้นได้มันก็ต้องมองในเห็นโทษชัดเจนนะยงวันก่อนที่พูดถึงว่าการพยายามเจริญอสุภกรรมฐานแล้วก็มีการกระทำบ่อยๆแล้วก็สำรวมระวังอินสี เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกร ม, มคลินลิ้มเลิมร้กายถูกต้องเย็นรอนออนแข็งเนี่ยพยายามมองในแง่ของความปฏิกูลท่างเกลียดโศโครกนารังเกียจขยะขยงั้นจะบ้างเนี่ยฮะเพื่อจะบันเทาความกำหนักความเพลิดเพลินความยึดติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือเรื่องที่นำมาคุยนียเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่นามาคุยกันเนี่ย คือจะต้องก็เรียกว่าเราต้องเขาหาสมาคมกับกัลยาณมิตรคือคนดีเวลาชวนคุยชวนทำชวนอะไรเนี่ยมันจะชวนกันไปในทางที่ดีเรื่องนานมาแล้วนะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งคือรู้จักเธอมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เห็นเธอมาตั้งแต่เด็กเด็กเดี๋ยวต่อมาเขาก็มาบวชอยู่ที่วัดที่ต่างจังหวัด เราก็เป็นครูบาอาจารย์ร่วมสั่งสอนเขาเลการต่อมาก็รู้ข่าวว่าพวกเนี้ยเป็นรุนคนคือคนหนึ่งเนี่ยนึกไม่ออกว่ามันทําได้ยังไงแต่คนหนึ่งพอเขาบอกก็เชื่อเลยนะครเพราะเราเห็นนิสัยก็มาตั้งแต่เป็นเด็กพยายามจะแก้ไขปรับเปลี่ยนลักษณะ น, นิสยัยแต่ก็ทําได้ยากมากนะฮะขยับขยื่นได้ยาก ปรากฏว่ามันเกิดถูกบังคับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งจริงๆเป็นลูกผู้พี่ลูกพี่พี่หือลูกพี่ลูกน้องกันนั่นนะฮะตัวเองก็ไปไม่ได้คิดว่าลูกผู้พี่จะไปปล้นคนไปปล้นกลางแม่น้ำเลยนะฮะรู้กันหมดทั้งเรือจ้างทั้งคนในสุดก็ต้องช่วยแล้วถูกประหารชีวิตทั้งคู่ นั้นจะเห็นว่าตัวการสำคัญเนี่ยคือว่าไปคบหาสมาคมกับคนเป็นดีมันก็ชวนไปอีกเรื่องหนึ่งและตรงนี้ก็เป็นการบังคับเลยนะฮะบังคับให้ช่วยไม่ช่วยมันก็ยิงเอามาถือปืนออกไปช่วยแต่ถ้าเราคบหาสมาคมกับคนดีๆเนี่ยการคุยเขาเรียกสัปปายะกถาคือการคุยกันเรื่องสร้างสารรค์เรื่องพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้มองเห็นโทษของวัตถุกรรมมองเห็นคุณของการบรรเทาลดละจากกิเลสกรรมเราครันกิเลสประเภทนี้ลืมไปนะฮต่กี้พูดเรื่องพยาบาทไปคือทงอุ ป, ปมาว่าเหมือนกับน้ำที่เกือดด้วยสีแล้วคนที่ตกเป็นาธาตุของวัตถุกรรมเนี่ยกิเลสกรรมนะฮะมันก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคไม่ใช่คนที่เป็นหนี้เป็นศินคนอื่นแล้วก็ เขาเรตัญหามันกระซิบใจเลยเพราะจะต้องมองเหตุโทษทั้งสองอย่างคืออย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าพวกวัตถุกรมในที่จริงก็คือทุกข์กระสับพวกกิเลสกามมันคือสมุทัยสัตว์แตนี้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตเกิดแห่งทุกข์คือตัวสมุทัยเพราะฉั้นถ้าเราบันเทากิเลสได้ตัววัตถุการมนั้นช่างมันนะ่เราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้เรา แต่ทําทำยังไงว่าจิตใจอย่าไปเกี่ยวเกาะอย่าไปรึงรัดอย่าไปผูกมัดอย่าไปผูกพันกับอารมณ์เหล่านั้นพยายามมองให้เห็นโทษมองในมุมที่มันเป็นจริงที่มันชัดเจนจริงๆเรารู้สึ ถ, ถึงว่าร่างกายเราเนี่ยเอาเฉพาะร่างกายเราเองกว่าจะผ่านอะไรไปได้ในแต่ละเรื่องแต่ละคราวเนี่ย มันยุ่งยากไดเกนะประตื่นขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่เราจะต้องชำระล้างขัด ส, สีสวีวันร่างกา ย, ยาต่างๆเนี่ยสินเปิงเงินทองเยอะนะฮะสิ้นเปิืงเวลาเยอะมีทั้งยาสีฟันมีทั้งแปรงมีทั้งสบู่มีทั้งแชมพูอะไรแต่อะก็แล้วแต่เยอะทังหมดเลยมันแสดงให้เห็นถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกาย เลยร่างกายเราที่อุตส่า์ดูแลทะนุถนอมกันเนี่ยร่างกายคนอื่นที่เก็ไม่ใส่ใจไม่นำพาที่จะดูแลรักษาความสะอาดมันจะนเป็นสาเป็นสาขนาดไหนพยายามคิดในแนวเนี้ยแล้วก็พยายามบันเทาอย่างน้อยที่สุดนี่นะชีวิตมนุษย์เราในทำอย่างไงว่าอย่าตกเป็นทาสของการมาตัญหามากเกินไปมันอาจจะเกิดรูอํานาจแก่อารมณ์อะไรขึ้นมาบ้างง น, นะ แต่ว่าทำยังไงว่าให้ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเออกไปอย่า ก, กำหนัดอย่าโลภอยา่าอยากได้จนขาดการบัญญะบัญญังขาดการควบคุมจิตใจตัวเองเพราะข่าวคร า, าวที่เป็นอัตยาการรมต่างๆล้วนแล้วแต่สืบเนื่องมาจากเรื่องเหล่านี้ ถ้าหากว่าเราพยายามบรรเทาพยายามคิดมองเห็นโทษของกิเลสคือดูจิตเราพอกิเลสมันเกิดเราจะเห็นหน้าการมันผิดปกติเลยแล้วก็พยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ก็ ค, คิดที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าถึงกับประกอบอาชญากรรมอย่าถึงกับโลภจนอยากได้ของของบุคคลอื่นอย่าถึงกำหนัดจนถึงไปฉุดค ร, ร่าหน้าจานไปข่มคืนไปอะไรอไรในแหมมันมันหาหุโหดเหลือเกินอ่ะ คือมันสัตว์เองยังไม่ทําอ่ะนึกนึกดูมันน่าอายสัตว์กันแต่คนนี่ก็ทําได้ทุกเรื่องนั้นความดำริในทางที่ชอบนั้นคือต้องมองเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วมองเห็นโทษชัดเจนเกิดขึ้นภายในใจใ น, นสุดก็จะพยายามบรรเทาความคิดกระแสของความคิดก็ดํ า, ดาดเนินไปนตามหลักของสมาสังกปะคือความดําริในทางที่ชอบต้องฟังแต ใต้ลงปู่พุทยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมตงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี